ครับจากเรื่องของคุณวุฒนะครับเรื่องของเวณกะเด็กเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้คนถะ้าเรื่องของคุณคิงครับคุณคิงมาแล้วคุณคิงมาพร้อมกับเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาจากคุณโกอา姆ปาติโดเขาใช้ชื่อนี้มานะครับน่าจะเป็นชื่อทาง a c e b o o k นะครับเป็นศิลปินของอ๋อโกอา姆ปาติโดเป็นศิลปินของท็อปไลน์ฮะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 8-9 ถึงปีที่ผ่านมาใช้ชื่อเรื่องว่าวิญญาณเคว้งครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันตอนนี้คุณคิงอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดีครับพี่แจ็โอ้ทำไมเสียงแหบฮะไม่สบายเว้ <laughs> ไม่ครับก <laughs> มันก็เป็นบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ไม่ได้ก็ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเออนะครับผมเนี่ยเริ่มและเสียงเริ่มแบบแข่งแข็งเริ่มแปลกแปลกแล้วนะฮะเออวันนี้อากาศร้อนด้วยแล้วก็เปิดแอร์แล้วแบบเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยววันสงวันนี้เดี๋ยวฝนก็ตก อ, อีกตายพอดี <c oughs> ออสุขภ<ข>าพครับไม่ไหวตาย <c oughs> น, นะครับมาคุณคิงมาว่าถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องที่ไปได้ยินได้ฟังมาจากคุณกวอามครับอ่ากัวอามนี้เป็นศิลปินของท็อปไลน์ไดมอน ทบรายครับอ๋อโอเคผมก็ว่าเอ๊ะชื่อเหมือนกับเคยได้ยินคุ้นๆไกลๆหูอยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมว่าคุณคิงรู้อยู่แล้วแหละว่าอันไหนที่พูดได้ก็พูดอันไหนที่ไม่ควรพูดเราก็ข้ามไปก็แล้วกันเนาะนะครับเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักแปดถึงเก้าปีที่ผ่านมาเรื่องของวิญญาณเคว้งเป็นยังไงฮะเรื่องนี้ อ่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับพี่จ้งว่ารเรื่องมันจบไปแล้วตรงที่ว่าเขาได้ตัวคนทําผิดแล้วอืมอืมอืมอ่ก็เลยไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่จะเป็นอย่นี้มากแต่ส่วนใหญ่ถ้าผมจะปิดก็คือจะเป็นเรื่องของชื่อสถานที่โดยตรงหรือว่ามุนที่อะไรเงี้ยนะครับครับผมก็เริ่มเลยนะพี่นนทะได้เลยครับครับคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ คุณอาร์มเขาเนี่เขายังไม่ได้เป็นศิลปินแล้วก็เขายังอยู่ที่บ้านเขาที่ราชบุรีนะครับท่านี้เขาก็เป็นคนที่มีจิตภาษาอืแบบเป็นเด็กก็จริงแล้วก็เรียนอยู่โม่ห้าม่หกเนี่ยแต่ก็อยากอยากที่จะไปร่วมีกับพวกมูลนิธิเขาครับเขาก็ได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารในความที่ว่าเป็นคนที่จะอาจจะละเอียดหน่อยแล้วก็คือ ย, ยังยังเรียนอยู่ ก็จะมีความคุ้นเคยกับเรื่องของตัวหนังสืออะไรส่วนพวกคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่คนอื่นก็อาจจะล้างตาจากเรื่องหนังสือมาแล้วอืก็อาจจะไม่ค่อยละเอียดจึเลยโยนหน้าที่ให้ให้กับคุณอาร์มวันนั้นคุณอาร์มเล่าฟังว่าเป็นวันที่เขาไปโรงเรียนตามปกติแล้วก็บางเรื่เกิดเรื่องตรงที่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นช่วงที่เขาหยุอไปเรียนหนังสืออืมเท่ากับว่าเรื่องนี้ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรตั้งแต่ต้นนะฮะ เขาก็กลับมาจากโรงเรียนอืเริ่มมันก็ยังไม่จบเรื่องที่ว่า น, นี่ก็คือว่าคุณน้ำกลับมาบ้านอืแล้วก็ท่านจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นคุณพอ่อเขาถามว่าอ่าอามรู้อย่างลูกว่าทางมูลนิธิเขามีคดีใหม่อืมเขาถามว่าอะไรครับพ่อพอดีว่าเพิ่งกลับมาก็ไปเจอศพคนลอยน้ํามาใส่ถุงดำแต่ศพเนี้ย มีแค่ลำตัวอ๋อเหมือนโดนหัน่นใช่ครับเ้ามีแต่ลำตัวมาไม่มีคอไม่มีแขนและไม่มีขาแ้วจะบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ทุกเรื่องมีจริงเพราะว่าคุณคุณกูณณอามเขาส่งรูปให้ผมดูวิจัยของผมเป็นอย่างนี้เขาบอกเลยละ่ะและ้วก็ท่านี้เขาก็ดิ่งไปที่มูล น, นิธิเลยว่าเผื่อมีอะไรให้ช่วย เขาไปถึงก็ไปเจอเขากําลังวุ่นวายกันอยู่เลยว่าเอ๊ะมันจะต้องอะไรยังไงเขาก็อ้าวอาร์มาพอดีเลย <c oughs> <c oughs> จัดการนี่พี่นี่เอกสารเนี่ยอาได้ครับพี่นี่คือน้ำท่ายังไม่อาบเลยน ะ, ะไปถึงก็อวันนี้ถ้าผมพูดจริงๆนะครับหม่ต้องขออภัยนะพอดีเป็นร้อนในด้านหน้า <c oughs> <อ>มัดเจนภาพเลยมันจะเป็นแผลในปากใช่ไหมฮะระวังนะอ๋อโอเคแล้วก็ เขาก็จัดการเรื่องเอกสารออืพอจัดการเรื่องเอกสารนั่งทําอยู่เพราบพกมันเยอะมากมคุณอาบอกมันเยอะมากนะพี่หิงถ้ใครที่ใครที่เป็นเจ้าหน้าที่มวลชี้เนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นคนที่มีหน้าที่ทําเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยจะรู้เลยว่าคําว่าเยอะมากของผมเนี่ยหมายความว่าไงคือมันไม่ใช่ทําแค่ใบหรือสองเป็นตการที่มีศบอย่างเงี้ยออืใช่ฮะใช่แล้วในขณะที่กําลังทําอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้อง วิ่งเรือวิ่งรถเนี่ยย้อนสอนน้าขึ้นไปว่าเคยศพเนมาจากไหนต้นตอมาจากไหนแล้วส่วนมีแค่นี้แร่ชิ้นส่วนมันเนี่ยก็ปรากฏว่าได้แขนอืเขาก็โทรกลับมาบอกเคยได้แขนแล้วนะอือ่ะเขาก็เลยคุณรามก็ว่าได้แขนแล้วไอ้สาเนาพวกนี้มันก็ต้องเพิ่มอีกเขาก็เออไม่เป็นไรวะไหนๆก็ไหนแล้ะสะพัดได้ขาในขณะที่สําเนาไปจะเสร็จเรื่องแขนและขามาอีกข้างนึง เขก็ต้องทำสำเนาเพิ่มอีกแต่มันอยู่ในเขตอำเภอของเขาอยู่คือเขาต้องคนทําสำเนาทั้งหมดอยู่แล้วก็ปรากฏว่าเอากลับมาเรียงเป็นชิ้นส่วนก็เท่ากับว่าในศพเนี่ยได้แขนขวาและขาซ้ายออืแขนขวาและขาซ้ายแล้วลําตัวก็ใช่ครับแต่วลำตัวนี่คือได้ตั้งแต่แรกก่แล้วออืะเขาก็เอามาเรียงต่อกันไว้ออืแล้วก็เตรียมจะส่งอะไรที่ข้างใน กรุงเทพอะเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกนิติเวศทุก อ, อย่างเน่ยมผมผมก็ไม่แน่ใจนิติเวศครับทน่นี้ในการที่เขาทําเอกสารอยู่แล้วมันก็ค่อยๆเริ่มมืดเริ่ ม, มดแล้วมันจะมีการประสานงานระหว่างคนลั้งอำเภอกันเนี่ยคนละหน่วยของเจ้าหน้าที่ครับมูลนิธิปรากฏว่าทนล้นก็บอกว่าได้แขนมาแล้วกับค้าเหมือนกันออืซึ่งมันอยู่คนละเขตอำเภอมันก็ต้องเป็นการทํางานประสานงานกันของระหว่างเจ้าหน้าที่ สองพื้นที่ออเขาก็เขาว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่นอนก็ชม่เื่อยหนังเท้าเนี่เดี๋ยว่อ้ว่าใครให้มันเสร็จไปเลยทีเดียวไหนก็มาขนาดนี้แล้วอืะไปทั้งชุดทั้งเรียนอย่างนัเครับก็ไปอะเขาแต่ในขนาดนี้ก็คือศพเนี้ยไปก่อนแล้วนะอืศพไปก่อนและที่ที่ได้ามาก่อนที่ส่วนแรกไปก่อนแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยจะต้องไปอีกอาเภอหนึ่งเพื่อไปเอาแขนกับขาชิ้นส่วนนั่นนะฮะ เพื่อไปเอาเพื่อไปเอาแขนซ้ายกับขาขวาที่หาเจอใช่ครับอ่อ่อแล้วก็ค่อยๆตามศพไปทีหลังโอ้โหแต่มันเป็นคือของเขาว่าเขาเจอตัวใหญ่ไงเขาเจ อ, อทั้งตัวด้วยแล้วแขนและขาด้วยเท่ากับว่าเขาเป็นหลักใหญ่เลยเขาต้องทําเรื่องทั้งหมดอืและหน่วยเขาก็เป็นหน่วยที่ส่งเข้ามากรุงเทพด้วยค<ข>คือชุดผู้พ่ายชุดเขานั่นนะก็ต้องทำเรื่องทั้งหมดแล้วก็พอไปถึงปุ๊บอันนี้ปรากฏว่า ทำเรื่องทําอะไรเสร็จในระหว่างที่ทําแขนกระขาอยู่นะออืพอทําแขนกระขาอยู่เสร็จปุ๊บก็มีคนโทรมาบอกว่าได้ตัวคนทําแล้ว อ, อได้ตัวคนทําแล้วเขาเลยบอกเคยเรื่องนี้ต้องใส่ใจยาวดูท่าคงคงอย่าไม่ไนอนง่ายๆออคืเขาบอกว่ า, ากำลังไปเอาหัวอยู่คือเหมือนจะเสร็จจะเสร็จจะเสร็จแต่โทรมาบอกได้ตัวคนทําใช่ได้ัวคนทำเขาบอกว่าออื เขาเอกาสารไม่ใช่น้อยอ่ะจริงๆตอนหนึ่งชิ้นส่วนที่หนึ่งที่เจอมันกาเยอะแล้วมันก็จะต้องแบบเขาเขาวนอยู่อเอกสารเยอะๆแล้วก็ต้องไปดู ส, าสรางสอต้องถือแขนอ่ะคนเราก็ต้องสีแขนสอบที่ห่อใส่ถุงเดินยิ้วไปยิ้วมาอย่างเงี้ยเดนินเอาไปโน้นนีนี่นีแล้วก็มาขึ้นรถไปแล้วก็มาประกอบคําพูดอะไรเงี้ยมานั่งเขียนทําโอ้หาสัญลักษณ์หารอยจนในที่สุดเขาบอกว่าเจอตัวคนทาแล้วอ กำลังไปเอาหัวแน่นอนว่าเจอตัวคนทําเนี่ยยังไงก็ต้องเจอหัวแน่นอนใช่ครับเขาก็เออเอามาเอาให้มันจบสิเลยก็ดีเหมือนกันนะช่วยแล้วก็ช่วยถึงที่สุดออคือด้วยความตรงตรงจุดนี้อยากให้จําเลยครับพี่แจ็คผมว่ามันเรื่องทั้งหมดมันน่าจะกิจดีของเขาอืคือเขาว่าเอามาช่วยแล้วก็ช่วยให้หมดไม่อาจว่าเวลายน้ําเน้อมข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินเอาให้มันจบไปเลยช่วยเขาสงสารเขา คือผู้่ามาพูดอย่นี้่ะคำสารเขาออือแล้วก็พอไปทําเรื่องคือกําลังไปถึงจุดที่ไปเจอคนที่ทําคนที่ทําคือสามีออืศพที่มานี่เป็นศพผู้หญิงนะออือสามีอ่าทํางานเป็นดีเจที่หนึ่งส่วนภรรยาเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟเรื่องนี้เป็นข่าวดังมากมดังมากเลยครับเขาก็เป็นเรื่องของถึงหลวงก็เลยฆ่าแล้วก็หัน่นศพแล้วก็เอาชิ้นส่วนทั้งหมด ไปโยนใส่ถุงดำแล้วโยนรอยน้ำแต่มันก็คงจะแบบถูกมันคงจะแตกชิ้นส่วนมันก็กระจายกันไงนะท่านนี้เขาก็เลยถามว่าแล้วหัวเอาไปไว้ตรงไหนพาไปจุดที่พี่พีแจ็ครู้ไว่าเขาไว้ไหนไปไหนฮะเขาเอาหูวของผู้หญิงไปใส่ในปี๊บอะอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอาปูนบกศพอะไรเงี้ยเราจะต้องเอาปูนมาผสมกับ น, น้ําก่อนถูกไหมครับครับใช่ฮะ ใส่ให้มันเข้ากันแต่ของเขานี่คือความผมว่าน่าจะเป็นอารามองคนรีบออืก็เลยเอาน้ําใส่ไปเอากุนผงโรยเอาน้ําใส่ไปอว้หลังแล้วค่อยค่อยคนให้มันเข้ากันอ่ะมันไม่มีทางจะเข้ากันได้แน่นอนมันต้องผสมจาข้างนอกก่อนถูกใช่ครับอืเหตุการณ์ที่ผมเป็นช่างเนอผมบอกมันไม่เข้ากันแน่นอนอะแต่มันกอาจจะมีส่วนแข็งบ้างอย่าเงี้ยนะครับอันนี้มันก็ประมาณสองสมวันแล้วล่ะโอ้โหในขณะที่ไปดูเนี่ย คุณอาเขาบอกว่ามันเป็นห้องเช่าเป็นห้องแถวยาวๆแล้วเขาเอาไอ้ถังที่ใส่หัของคนเนี่ยบบกปูนปิดมันเอาตั้งไว้หลังห้องนะพี่แจ๊หลังห้องห้องเขาอะนะใช่เดี๋ยวไว้ไว้ในห้องคือหลังหลังบ้านเขาโซนหน้าซุ้มอมว่ากันเนอะโอ้โหผมก็แบบแต่แต่ว่าเรื่องนี้ผมคุยกับคุณนามว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันจะหนักจะนอนไปไม่ได้ครับเพราว่าปูนเนี่ยนะ อืมผสมน้ำแล้วร้อยแข่งมันหนักนะหนักแค่เอาใส่กระป๋องนมใส่อย่างหนักนี่มันถังปี๊บอะอมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้ฮะอืะไอ้คันจะไปเรียกเพื่อนมาช่วยก็คงจะไม่กล้านะครับจะเลยต้องตั้งเอาไว้อย่างนั้นโอ้โหทันนี้สิ่งที่มันพลิกตามไปอีกนี่คีอนี่คิอเด็กนะครับคุณแจ็คฟังเด็กนะ้นในว้ที่มห้ามหกเอง่ะคือจะต้องทําการช่วยกันสกัดปูนครับเพื่อที่จะเอาหัวออกมา เขาก็เลยพากันส ก, กัดส ก, กัดแต่มันโชคดีอย่างเพราะว่าอย่างที้ผมบอกคือปูนเขาไม่ได้ผสมอย่างถูกต้องออืมันก็เลยค่อนข้งางจะส ก, กัดได้ไม่ค่อยยากแต่เท่าไห ร, ร่พอยกขึ้นมาเ้าบอกว่าหน้าผู้หญิงบวมหมดแล้วอออออะืืคือมันเป็นเขียวๆจำช้ำบวมๆคือดูไม่รู้เลยสภาพเป็นไงตาเตอะปิดปากเปิดที้เจอไปหมดแล้วอะแล้วก็ยกขึ้นมาครับยกหัวขึ้นมาอย่างเง้ยแล้วก็ข่ายเอาลูก คุณน้าบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกลับไปที่บ้านจะเอารูปนั้นมาฝากนะครัซึ่งก็ไม่คือว่าสมควรจะส่งไปให้ผู้พิจารณ์หรือเปล่าไม่ไม่มมม่ไเป็นไรดีกว่าครับผมไม่เอาดีกว่าครับผมครับแล้วก็ทันนี้เขาก็ถ่ายแล้วในขณะที่ถ่ายก็มีจิตคิดนะว่าเออสงสารนะอะไรเี้ยสงสารสงสารเสร็จแล้วทุกอย่างเรียบร้อยต้องเอาหัวหนึ่งหัวใส่ถุงสีแดงซึ่งเป็นของโรงพยาบาลอืแขนหนึ่งแขน ขาหนึ่งขาที่ได้จากเขตอําเภอเนี่ยเอาตามสพไปที่นิติเวศในกรุงเทพครับเขาก็เลยตามไปอืมแล้วก็ในขณะที่ตามไปอ่ะขาไปยังไม่มีอะไรนะครับเข้าไปที่โรงพยาบาลเข้าไปทิ้งปุ๊บ ก, ก็ไปกันสามคนเนาะไปกันสามคนโือมีตัวคุณอาร์มแล้วก็มีพี่เนี่ยอีกสองคนไปด้วยกันก็ประมาณว่าอารมณ์เดินถือคนละชิ้นน่ะ มึอซื้อหัวนะเดี๋ยผู้ซื้อแขนไปดีดขาไปเดินเข้าไปโรงพยาบาลเลยเดินไปจุดนี้จนะุดนี้แหละเดินมาไปแล้วก็หาคะแนนนั้นไม่เจอก็ไปถามเขาเขาก็ชี้ทางไปนะั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีไอ้ตรงที่ตอนเนี้กําลังมีสังกษีปิดอยู่ออ่ะืมเขากําลังทําห้องผ่าตัดห้องเขาเรียก น, นะนั้นชันสูตรศพอ่ะเขาก็เดินไปหามันไม่มี ม, มีสังกษีปิดมันไม่มีห้องไหนอี่บ่งบอกว่าเป็นห้องชันสูตรศพแต่เขาก็หันไปมองไอ้เตียงข้างๆเขาที่เขายืนอยู่ <c oughs> คือมเป็นเตียงที่มีทั้งเลือดทั้งหนองแหง้งกังเต็มเต็มเตียงเลยครับก็ยืนไม่รู้นะยืนงงๆสักพักนึงก็ถามพี่นี่มันเตียงอะไรเนะี่ยพี่กะบอกก็เนี่ยเตียงนี่เขาชำละศพคือตอนนี้ห้องมันกําลังทําอยู่เขาเลยเออกมาพาศพตรงทางเดินนี่แหละเขาเลยบอกโหขนาดนี้เลยเะนี่ขนาด ย, ายังไม่ทันจะเข้าไปห้องศพเลยเนะี่ยพอเดินเข้าไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่อะ่ะอ่าคุณอามให้คําพูดมาคำหนึ่งบอกถ้าใครเป็น ท่าที่มือที่สมัยนี้แล้วให้ย้อนกลับไปมองของเจ้าหน้าที่สมัยก่อนเขาคือสมัยก่อนอ่ะผมไม่รู้ว่าด้วยอะไรเขาบอกมันต่างกันมากความวังเวงคและตรงนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีคุมสองคนก็ต้องเป็นเรื่องของเนี่ยสามคนเนี่แะต้องไปเปิดหาว่าไอ้สามชิ้นแรกที่มาเนี่ยมันอยู่ช่องไหนแล้วมันเป็นซองใส่ศพนะเขาเคปถามพี่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นซองไหนพี่เขาก็ตอบยิ้มย้มแบบไม่ยาก มองค่อยๆเปิดหาเวชีร้านเลยครับโหเราเขาบอกคนละทุกอานเลยศพทุกอันเลยพี่แจ๊ดศพทุกอันเลยแต่แกบอกว่าโชคดีอย่างหนึงคือเปิดแถบเดียวแล้วเจอเลยแต่จะเจอหลายศบนะเ<ท><ท>จอหลายศพยังไม่ต้องหันไปเปอยอีกแถบหนึ่งพอดีแถบเดียวก็เจอแล้วอย่างเงี้ยเราก็อ่าเอาไว้เอาไว้เสร็จก็นั่งทําเอกาสารอะไรตรงนั้นเสร็จปุ๊บให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าตารวจให้เสร็จกลับพอขากรับกันเนี่ยก็ขับรถ กระบะเหมือนเดิมคันเดิมเป็นรถกระบะมูลนิธินะครับมันนั่งหน้ากันหมดข้างหลังไม่มีใครนั่งนะเอยรับไปสักพักหนึงอยู่ดีมีรถบีเมสีน้ําเงินเขาบอกบีเอ็มสีน้าเงินเข้มเลยขับมาแล้วก็เตาะไฟใส่อสองนาทีขับตามหลังแหละเขาก็าว่าเฮ้ยไอพ้พวกนี้เป็นอะไรกันามาเตาะไฟใส่อะไรวะนี่มันกลางคืนแล้วจะหาเรื่องหรือมันแซวหรือมันเล่นเพราะเราก็มูลนิธินะเขาไม่น่าจะหาเรื่องเจ้านที่อย่างเงี้ย ตออยู่นั่นน่ะแล้วก็เบรกแต่พพมแพมแล้วก็แฝงหน้าขึ้นมาแล้วปาดเบรกอย่างแรงเนี่ยตัดหน้าเลยเ<ห>ขาก็เบรกตัวโกงนะเฮ้ยอะไรอยู่นี่มันมาแกล้งกันองี้วั้ยนะคนขับรถบีเอ่ะเดินลงมาแบบเมาเมาระห ว, ว่างที่รถเขาเบรกเนี่ยเขา บ, บ, บ, บ, บ, บอกคุณคุณอาเขากเขาได้ยินเสียงนึงมันดังกรุกกรุ๊แล้วมาชนไอ้ไอ้ไอ่ยางหลังอะ<ห>่ะอตรงกระจัซึ่งเขาบอกมันได้มีอะไรนะตรงนั้นไม่มีอะไรคิดเลยแต่มันเสียงอะไรอ เสี่ยงมันของอะไรกลมๆใหญ่ๆแล้วกลุ้มลมาชนตึ้งครับแต่ตอนนี้ตนใจข้างหน้าก่อนปลข้างหน้าลงมาจะหาเรื่องแล้วเดินลงมาเมาลงมาเลยคนขับรถมือจี้เนี่ยเขาก็เลยหันไปบอกโอ้ยพี่เล่นไหลเนี่ยถ้าเกิดมันชนขึ้นมาทําไงเนี่ยพวกผมไม่รับผิดชอบหรอกนะครับพี่มาปาดหน้าผมแล้วมาเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องคนเมานั่นสวนกลับมาชี้หน้าผมพวกมึงมาเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องออื มึงบ้ากันหรือเปล่ามึงเล่นอย่างเงี้ยมึงทำอะไรมึงเป็นเจ้าที่มูลนิธิมึงให้เกียรติศพบ้างอ uh. เขาเลยบอก uh. เอ้าเล่นบ้าอะไรแล้วพี่มาพูดอยู่ดีมาชี้หน้าว่ากันเนี่ยกูเนี่ต้องถามามึงอ่าเล่นบ้าอะไรับ uh. เขาก็เลยบอก uh. เดี๋ยวพี่คุยกันก่อนมันเรื่องอะไรวะกูต่ะไฟใส่มึงตั้งนานมึงก็ยังไม่เลิกทำไมมึงทําอย่างนี้ uh. พี่ก็พูดเดี๋ยวมันอะไร uh. <Okay. S 2> เขาบอกว่ามันคือเขาเขาโทษแล้วพวกเนี้ยมูลนิธิเนี่ยเอาศพคนนะ่ะ ที่ไม่มีหัวและไม่มีแขนอ่ะถึ่งตั้งพิงไว้ให้คนข้างหลังอขาเห็นอซึ่งเขาบอกบ้าพี่ไปดูดีจริงไหนเออะแต่เขาไม่ได้พูดแล้วเขาไม่ได้อธิบายนะว่าไอ้ศพนี้มีจริงแต่เพิ่งไปส่มาเขาไม่ได้พูดแล้วออะเขาแค่บอกว่าพี่ไปดูเดี๋ยวทั้งหลังมีอะไรที่ไหนเขาบอกมึงไม่ต้องมาฟูดแก้ตัวเลยมึงรีบไปเอาศพข้างหลังทําให้มันดีมึงให้เกียรติศพบ้างมึงเป็นเจ้าที่มึงเล่นอะไรอย่างนั้นเขาก็บอกก็บอกว่าไม่มีพี่ก็ไปดูเดี๋ยม ตาคนเมาแล้วก็เดินชะงักไปปุ๊บหันกลับมาเอองั้นเดี๋ยวพรุนี้กูไปทําบุญแล้วกูคงเจอเขาละละแล้วก็ววเดินขับขึ้นรถหายไปเลยนะเ อ, อเขอาอออก็เล ย, ยคือตอนแรกก็งงๆกันแนะ่ละพอได้ยินนี้คือตาสว่างหมดแรับตาสว่างพอกลับไปถึงบ้านก็ไปชมทํานูนน่นนี่ทํานั่นทําอะไรเงี้ยเหมือนปกติคุณนามก็เข้าได้าเหมือนปกติไม่ได้คิดอะไรเพราเจอมาหลาศพแล้วไง สิ่งที่มันแปลกไปคือเริ่มอีกวันหนึ่งไม่แน่ใจน่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตอนมันอยุดอยู่บ้านเนี่ยกร็ตื่นมาแล้วก็ขี่มอตมเตอร์ไซค์ออกไปตลาดถ้ามเวลาเขาจะฟ้งรถไฟอะไรที่มาเจอเพื่อนฝูงเจอกันตลอดเนี่ยพอไปถึงปุ๊บกลับมาแม่บอกเป็นไงล้วเดี๋ยวนี้มมแม่ไฮเทคละเกินนะวัะยรุ่นละเกินอายุเท่าไหร่เนี่ย ถามแม่พูดเรื่องอะไรนะ่ผ ม, มเห็นรู้เรื่องเลยก็นั่นนะ่ะยายคนเนี้ยเ อ, อ่ยชื่อมาเนนะี่ย <Ừ. S 2> ที่แกถ่ายแกล่นะเขาบอกเองเอาผู้หญิงซ้อนเลยนะไม่คิดจะพามาให้แม่รู้จักบ้างเหรอผู <Ừ. S 2> ้หญิงที่ไหนบอไม่มีแฟน <c oughs> แล้วพนังเขาบอกว่าตอนสมัยไหนะเขาไม่มีจริงๆนะเขาไม่ได้ยุ่งในเรื่องพวกนี้เลยออื <Ừ. S 2> จะเป็นส่วนใหญ่จะไปทําเพื่อนจะมากกว่าผม <c oughs> ว่าไม่มีแฟนมีที่ไหนแล้วโชวหเองกันทั้งตลาดถ้าไม่เห็นขนาดเลยเขาไม่กล้าโทรมาพูดอย่างนี้หรอก คุณลังก็ว่าเฮ้ยเป็นไปได้แต่แกก็มานึกถึงเรื่องหนึ่งคือตอนที่สวนกับเพื่อนที่ทางรถไฟ <S S S S เพื่อนเขาใสวว่าแหมมึงใครไม่แนะนำให้พวกคุรู้จักเมื่อสวยชนะ <S S อ, อะร่อยพูดเรื่องอะไรของมึงวะแล้วปกติจะมีเพื่อนขอขึ้นมอเตอร์ไซค์ขตลอดขอซ้อนตลอดแต่ตอนนั้นไม่มี ไม่มีเลยเขาว่าปกติจะไปตลาดทีน่ะตาทีเพื่อนเวลาโฆษณาเลยไปด้วยไปด้วยนี่ไม่มีเลยอืซึ่งปกติมันจะมีทุกวันแล้วไม่เคยพลาดแต่ช่วงตั้งแต่ตั้งแต่ที่พี่ดำสนมันมาไม่เคยมีใครมาขอซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปไหนแล้วมักจะมีคนพูดว่าเห็นผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์กูนามตลอดออืซึ่งเขาก็เอ้มันมันมันจะจริงอย่างเขาพูดหรือคนอ่ำกันว่า <c oughs> แต่มันหลายคนแล้วนะแล้วผู้หลาผู้ใหญ่เขาก็พูดด้วย อันนี้มันจะมีอยู่ช่วงที่เขาจะต้องไปเข้าเวรที่มูลนิธิใช่ไหมการที่เป็นเจ้าหาที่ะนะเขาไปเข้าเวรไปอยู่นั่นกันเหมือนไปเล่นกันไปรุ่นไปนั่งคุยกันทางเดินจากมูลนิธิเนี่ยไปเข้าห้องน้ำจากในห้องมูลนิธิเนี่ยมองไปก็จะเห็นนะฮะและสิ่งที่มันผิดสังเกตยอย่า ง, ง, งนึงคือคุณอาเขาบอกเขาจะมีกลิน่น กิ่นของศพตอนที่เขายกหัวขึ้นมาอนะืติดตัวเขาตลอดเวลาเลยซึ่งเขาก็เข้าใจ ว, าว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่มันมันติดจมูกจากการที่ไปไปดมอยู่ที่ใกล้มัง้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พยายามที่จะไม่สนใจมันคราวนี้วันนั้นเขากดท้องจะไปเข้าห้องน้ำเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยแหละไปคนเดียวคนเดียวแน่นอนออกมาเนี่ยก็ยังมองใครอยู่ว่าเขาก็นั่งดูทีวีดูอะไรกระนิดนั้น่ก็เดินมาคนเดียวแล้วห้องน้ําำจะมีก่อนห้าหห้องเข้าไปในลืมเล็ก เขเดินเข้าไปถึงปุ๊บมันมีเสียงรองเท้าแตกของคนที่ลากกับพื้นคนอนกรีตพี่แจ็นึกออกใช่ไหมครับเหมือนเดินตามหลังมาติดๆเนะ่ะแต่แกเขาก็พูดเดือดรัคนเดียวไม่ใช่อหรแต่มันเป็นกลางวันไงก็เลยไม่ได้สนใจที่จะกลัวอะไรก็เออใครจะเดินตามมาก็ไม่เป็นไรนะแล้วแล้วแกก็เข้าไปในห้องน้ําชั่วไม่กี่วินาทีเนะี่ยในขณะที่กาลังทำธุระอยู่มันก็มีคนมาเคอะแบบปึ้ปปปปปป ง, งปึ้งปึที่หน้าประตูแกแจ็คก็เฮยไรวะโอ้ห้องน้ำมีอะไรเช เขาดีแก้งอะไรกันวะเพรลมเสียงไงันเข้าห้องน้ำมันต้เงียบไปพอเงียบไปเสร็จปุ๊บเขาก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วทําทุไลเสร็จเดินออกมาเขาจะเห็นพี่คนหนึ่งที่ว่าไปด้วยกันน่ะอยู่ข้างในห้องนั้นช่ะางมองตลอดเพราว่ามองอะไรของเขาว่าเดินออกมาก็เลยถามว่าเมื่อกี้ใครเล่นอะไรเนี่ยคนเข้าห้องน้ําเนี่ยไปเล่นไปแหวนเลยมันไม่ควรเลยนะออืตกใจหมดทุกคนบอกไม่มีใครก็เดินตามไปทั้งคนหนึง ใช่ร่าเฮ้ยพูดไปเล่นเอาเรื่องจริงอืมไม่มีใครตามมปสักคนหนึ่งแต่ครูเนี่ยจะบอกอะไรให้แล้วครูเห็นมีผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอะเดินตามมึงออกมาจากห้องน้ําอืำพี่พูดจริงวะเนี่ย จ, จริงดิเขาก็เลยเริ่มคิดในใจแล้วก็เริ่มบนคนเดียวแล้วว่าพี่คือเรียกผู้หญิงคนที่ตายแล้พี่ผมารู้นะว่าพี่อะอาจจะเป่งขวางพี่อย่าไม่มีใครแต่ ว, ว่า อย่างนี้มันไม่ถู ก, กนะเนี่ยความที่เป็นจะต้องเรียกว่าภูมิปัญญาของเด็กวัยรุ่น น, นะตรงนั้นน่ะมันคิดอะไรไม่ออกพี่แท็เขาเลยตัดสินใจอ่ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย อ, ออกไปเลยนะแล้วไปจอดตรงท่ารถเป็นท่ารถเมนเนย์ท่านจอดมองอยู่นานเลยแล้วก็มองซ้ายมองขวาคือว่าประมาณว่าอย่ามีคนเข้ามาใกล้แนละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย่างบุรุพรอยู่คนเดียวว่า อันนี้ให้ให้มองมันไม่ใช่เรื่องขํานะครับแ ต, <ม>แต่ว่ามองว่าเป็นเรื่องของเด็กที่ต้องการแก้ปัญหาด้ตัวเองอย่างนั้นนะอเอขาเขาพูดทำมาว่าพี่พี่กับผมเราอยู่คนละโลกกันนะแล้วพี่จะมาตามผมเนี้ยมันไม่ถูก ม, มันไม่ใช่จากผมและที่รู้สึกว่ามีกลิ่ น, นคนอื่นก็เห็นแล้วผมบอกตรงเลยแล้วว่าเรื่องช่วยเหลือผมช่วยได้พี่พมีอะไรพี่เขาฝันบอกแต่ถ้าจะําอย่างเนี้ยผมไม่โอเคออผมว่าพี่อย่ามาตามผมเลยนะ พี่เห็นรถเมย์นั่นไหมคือพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยเด็กเป็นเรื่องคนนึงต้องไปยืนผู้คนเดียวข้างถนนนะคือจิตเสียไปเลยพี่เห็นรถเมย์นั่นไหมผมพูดจริงนะพี่จับรถเมย์นี่ไปเลยเนี่ยรถเมยเนี่ยพี่ขึ้นไปเลยไม่เสียตังค์หรอกเพราะว่าพี่ไม่ใช่คนและและ้วมันจะผ่านหน้าบ้านที่พี่อยู่ออืที่ไปเถอะพี่อย่ามาอยู่กับผมเลยผมขอร้องไหนผมไหว้ก็ได้อะไรก็ได้ แล้วก็นั่งกั้นใจอยู่พักหนึ่งดูคือเขากําหนดเอาเองเหมือนประมาณว่าส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเว้ยกูว่ากลับแล้วคอยฟังสังเกตคนแถวนั้นแม้กระทั่งกลิ่นที่ติดตัวเขาเนี่ยมันก็หายไปเลยครับจาเรื่องก็มีประมาณนี้ครับโอ้ <c oughs> โ, อโห <c oughs> เหมือนกับไปพยายามไปส่งเขาเหมือนอคือในขณะที่ผมฟังคุณอามเล่าเนี่ย<อ>ผมต้องบอกเลยนะว่าภายนอกที่เรามองฟังในเพลงเขากับการที่เราที่คุยกับตัวจริง<อ>ที่เขาคุยเนี่ย เขาบอกเลยว่าพี่ผมรู้นะพี่คิงว่าว่าเขาเป็นผีแต่ใจของสงสารเขาจริงๆก็ไม่ได้อยากจะไล่ไปหรอกแต่คือสงสารแล้วเรานึกภาพว่าเขาเคว้งคว้างน่ะ <c oughs> เขาไม่มีใครแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนที่นี่ก็ได้แล้ว <c oughs> มาโดนแฟนฆ่าตายเนี่ยคือใจจิตเขาดีอะผมดูแล้วคุณ <c oughs> น้ำนะจิตเขาดีแล้วเขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่พยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะตรงนั้นใครๆเขาคิดว่าเขามีแฟนแต่ทุกคนนะ่ะ ไม่รู้เลยว่าเขาเชื่ออะไรอยู่เขาเลย<ม>ต้องทำอย่างนั้นแล้วมันก็เบาลงไปคือไม่มีเลยไม่มีใค ร, ครทักอะไรอีกแล้วออนั่นนะคือเมื่อกี้ผมโทษทีนะฮะคือผมเสียสมาธิไปนิดหนึ่งช่วงช่วงท้ายออผมถามคุณคิงก่อนก่อนหน้านี้คุณคิงเปิดวิทยุทีวี อ, อยู่ปะไม่ได้เปิดครับออผมพยายามจะจะฟังเสียงนี้อยู่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่า เดี๋ยวเ้งียบเป็นปั๊บหนึ่งก่อนได้ไหมเงียบๆ เ, เลยไม่มีเมันอกี้คุณคิงเล่าเกือบจะจบที่ผมแบบอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะคือถ้าทุกคนรู้จักผมอยู่แล้วเนี่ยคือผมเป็นคนปากไวมากคือผมไม่ชอบสร้างกระแสในเรื่องที่มันมันมันไม่จริงด้วยผมได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยผมก็หันไปมองอ้นึกว่าไอ้พี่มันเปิดเอ้อะไรเปลไอ้พี่บัตเปิดอะไรหรือเปล่า เกือบจะจบอยู่แล้วเมื่อกี้ก่อนตอนที่บอกว่าอาพี่เห็นรถนี่มะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปบนรถนี่เลยนะเดี๋ยวรถเนี่ยจะไปจะไปผ่านหน้าบ้านพี่อ่าจะไปผ่านหน้าบ้านพี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอ่าทั้งกลิ่นทั้งเรื่องราวพวกนี้ก็หายไปมันมีเสียงมันแบบผู้หญิงมาก่อนบางๆเลยแล้วแหลมมาเลยพูดุอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ผมว่เฮ้ย <c oughs> ผมก็าหันไปมองไอ้เจ้าวี่ก่อนคนแรกเลย เฮ้ยเปิดอะไรเปล่าวะพี่บัตรไม่มีนะครับแต่เพราะว่าณตอนเนี้ยณตอนนี้อะไรผมพูดเลยว่าผมไม่ได้อยู่บ้านออืคือผมมาซื้อยางพาราแล้วผมก็มาซื้อเสร็จแล้วผมก็เดินทางกลับมาขึ้นทางอ่ะว่าก็เธอเตรียมจะเจอดกับสักแก้วอ่ะครับครับเพราะว่าผมปั้นอ่าพระอยู่โดยองค์หนึงแล้วก็ผมก็มาซื้อยางพาราที่เตรียมเจอะจะกลับอืก็ยังคุยกับนิวี่เลยว่าถ้าเกิดว่าคนขับรถผมเขาไม่ ไม่เมาซะก่อนก็จะไปแต่พอดีเขาเมาซะก่อนเนี่ยผมอยู่ในเนี้ยผมไม่ได้เปิดอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับทีวีหรือว่าอะไรอย่างนผมเปาหมดตอนแรกผมเล่งฟังเนี่ยในแต่เดียวกันนึงนะตอนเนี้ยไม่รู้จะยังมีอยู่เป่าเพราะว่ามันตัดหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกผมฟังไอ์รายการของพี่อยู่เนี่ยในแอปคเนี่ยพอได้ยินเนียเสียงเนี่ยได้ยินอ่ะพอพอพอพี่โทรมาปุ๊บผมก็กดปิดเสียงเลยปิดแบบไม่ให้เหลือเลยสักขีดยังไงอือเมื่อกี้มันแบบ เป็นเสียผู้หญิงไงว่าแบบคือมันมันมันมาแวบเดียวบางบางบางมากเลยนะฮะแต่คือต้องบอกว่าที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะฟังด้วยจะใส่หูฟังหรือไม่หูฟังเนี่ยมันมันมันไม่ชัดไม่ตรงมอนกับตรงนี้ตรงเนี้ยคือผมคือต้นทางนะครับผมเน่เสียบหูฟังเนี่ยผ่าน มิกเซอร์ต้นทางเลยนะครับตรงเนี้ยเสียงมันจะชัดมันจะเคลียร์มากผมจะได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงลมแอร์บางๆมาเสียงอะไรนิดหน่อยผมจะได้ยินหมดแล้ะเมื่อกี้มันแทรกเข้ามาแล้วมันอยู่ช่วงทนนี่ผมมาขนลุกแบบผมก็เลยหันไปมองวีก่อนมองพี่บัตรก่อนพี่บัตรนั่งหลับเมื่อกี้โอเคนึกว่าแบบใครเปิดอะไรอยู่ไงเขชอบเปิดโชว์ส่งโทรศัพท์แลว้วกลัวมันมีเสียงเล็ดรอดออกมาเหอเฮ้ไม่ใช่ตอนน้ปวดหัวเลยผมอะอ่า ปวดหัวเลยอะ่ะปวดหัวปืดเลยอะ่ะมันเป็นอย่างนี้หลายครั้งมากนะครับระยะจนผมสงสัยเหมือนกันว่าได้หรือว่าเราต้องทําบุญเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่ผมไหลสดพี่แจ็คจำได้ไหมจําได้อ่าคือผมทําอย่างนั้นแล้วผ ม, อมยอมรับว่าผมไม่ได้มีการขอขออย่างถูกต้องครับ<ถ>เราก็แค่ว เ, เรื่องมาเล่าแต่ทุกครั้งที่จบปุ๊บผมจะพูดว่าบุญเรียนอะไรที่ผมทำก็ให้ถึงแกทุกดวงจิตทุกดงวิญญาณด้วยนะครับไม่มีเจตนาลบหลู่ มันก็เป็นการขอเข้ามาไปในตัวอยู่แล้วซึ่งเราไม่ได้เอาเรื่องเขามาลบลู่เลยแต่ตั้งแต่นั้นมาเนะี่ยมันจะเป็นงี้แล้วผมมาเล่ากับพี่พี่ก็จะบอกว่าได้ยินคุณวิวีได้ยินคนทางบ้านได้ยินจนผมเริ่มสงสัยแล้วว่ามันมาจากฝั่งรนหรือว่าจากเราอะ <c oughs> เริ่มเริ่มเริ ม, รมคิดแล้วตอนนี้ผมปวดหัวเลยปวดหัวตุ๊บเลยแบบเมื่อกี้ไม่ปวดหัวเลยนะสวัสดีคุณโก อ, อามปาทิโด้ด้วยนะฮะเจ้าของเรื่องดูในไร่สดดูอยู่เหมือนกันบอกว่าตอนที่พี่คิงโทรหาผมก็ได้ยินฮะ นะฮะคุณกูอามนี่เป็นคนหนึ่งที่จีนนะผมฝากเรื่องพี่บัตรไปได้วให้พี่แจ็ไปฟังกันเองเพราะว่าผมจะไม่พุยเรื่องนี้หรอกแต่จริงบอกเลยว่านะมันมีมันมีคลิปมีอะไรมีอะไรสอพีบัตรหมดแลยครับอโอ้โหมองไม่ถูกไปไม่ถูกเลยเมื่อกี้มันวูบเลยนะมันวูบเข้ามาแบบแล้วขนผมลุกแบบตั้งแต่หลังขึ้นมาใช้ทอยยันหัววูบที่ผมหันไปมองนี่คือผมวูบเลยแล้วตอนนี่ปวดหัวค เออแต่ผมได้ยินจริงๆคือหูฟังเนี่ยมันมันมันชัดเจนมากฮะมันได้ยินทุกอย่างมันได้ยินทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงอ่าพูดกันแบบหยาบหยาบคือเสียงวี่แค่เอาเล็บสกิดเนื้อนิดเดียวอย่างได้ยินอ่ะมันมันเสียงชัดมากเออแล้วเมื่อกี้มันมีเสียงแบบเหมือนผู้หญิงไพเขาพูดว่าอะไรมันมันจับไม่ได้จับไม่ได้จับครับมันมาบางๆแหลมๆเล็กๆแต่มาพร้อมกับเสียงของคุณคิงอ่ะ ออแต่เอาจริงๆนะผมพูดตรงเนี้ยที่ผมอยู่นะตัวเนี้ยนะนะที่ผมพักนี่นะผมเปิดห้องเข้ามาที่แรกอืมทุนโรงแรมทุกที่ต้องเเสียบขีดกาดก่อนแล้วไฟจะติดใช่ามพี่แจคครับครแล้วผมเปิดห้องมาแล้วมันจะเป็นม่านมีระพูดอยู่โรงแรมเขาโราเบาหน่อยมันเป็นม่านแล้วมันก็จะมีกระจกใหญ่อยู่ข้างนอกครับซึ่งมันไม่มีลมเนี่ยในห้องแอร์ทั้อันก็ไม่ไม่ติดเพราะว่าเราไม่ไเสียบขีดกาดแต่ผมเปิดประตูเข้ามาแล้วผมก็เอากระเป๋าวางปั๊บ มานมันรูดแกลๆมาสองทีอ่ะโผล่เลยว่าจะไปไหนมันจะทุกที่เลยเหรอวะก็ก็เลยไปอยางที่จะกันใจอยู่เนาะเามันก็แค่วันครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุมาจากอะไรเอ้าวั้าหมดเลยมันอาจจะเป็นเรื่องของ เ, ออเทคโนโลยีเรื่องของเสียงแทรกอะไรก็ว่ากันไปเอาแบบ สบายใจไปก่อนเอาสบายใจไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องขับรถปีกไก่มันมีครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเกิดว่าวันไหนป้าแมวมาเล่าพี่จ็คต้องถามป้าแมวดูรือคุยกันกับป้าแมวผมป้าแมวคุณกวางคุณลอมแล้วเราเรื่องผีกันนะแล้วมันมีเสียงแบบนั่งฟังจนนางคนลุกไปหมดแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอืแท่ขึ้นมาป้าแมวอยู่ใกล้ใครปะครับป้าแมวบอกไม่มีออืลูกลูกสาวป้าแมวครัป้าแมวบอกอ๋อยู่คนละบ้านกันออื คุณออฟคุณกวางก็คุณคุณคุณออฟปิดใหม่คุณกวางก็ผู้ชายอถ้าทางผมแฟนผมก็หลับเราะมันเสียงใครอ่ะไม่รู้ดิเนี่ตอนผมขนลุกอะตอนที่ธรรมาทิผมเสียหมดแล้วปวดหัวเลยอะปวดหัวตุ๊กตุ๊ต๊กเลยตอนเนี้ยเออเอาโอเคคุณคิงฮะวันนี้ขอบคุณมากๆฮะที่มาถ่ายทอดเรื่องนี้ขอบคุณเจ้าของเรื่องคุณโกอามปาติโดจากท็อปไลน์ด้วยนะฮะอยู่ในส่วนของท็อปไลนคิวเมื่อไหร่บ้างไหมครับเนี่ยออคุณโกลอาม มาอยู่ในนั้นด้วยนะที่<ะ>แรกจะพอมีคิวเมื่อไหร่เนี่ยพี่ผมส่งรูปไปแล้วนะให้คุณวิวีสําหรับอาช้าเก่าอ๋ะนั้นเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันทางทางอ่าคุยกับทางวิวีได้เลยแต่ผมต้องรอดูงานดูในส่วนของอ่าไรหลายอย่างด้วยส่วนหนังอะไรด้วยนะครับแต่จะอยากไปเที่ยวด้วยอยู่แล้วแต่ผมไม่เข้านะ <c oughs> ผมบ อ, อกไว้ก่อนเราอย่าเอาวิวีเร <c oughs> ไปทําอะไรเอาเลยเต็มที่ปล่อยให้มัน <c oughs> เป็นที่เลย <c oughs> <laughs> อยากพาพี่แจ็คมาเข้มากเลยเพราะว่ามีร้านอาหารอร่อยๆแนะนำผมโอแน่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยโอเคถ้าอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับ <laughs> เรื่องเรื่องระเวนกินอะไรพวกเนี้ขอให้บอกผมอันนี้งานถนัดงานถนัดเลยฮ <laughs> ะได้ฮะคุณคิงนะครับเดี๋ยวไง <laughs> ก็ลองนะัดกับเจ้าวีวีดูแล้วกันนะได้ครับโอเคขอบพระคุณมากนะครับคุณคิงครับครับพี่แจ็คขอคารวะนะครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ